เรคนนึกเสียวๆวมอนกันเผอๆมันวนมาแล้วมันยิงเข้ามาเลยจะหลบไปที่ไหนอย่างคิดเหมือนกันมันก็คงเป็นจุดของมันสรุปแล้วก็คือเขาปะทะกันจุดนั้นแต่ามาพูดเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาทีนี่ผมอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแหล ะ, ะพัดอยู่ในถ้มองค์เดียวทํายาววหวงเงียบสงบโอ้สงบจริงๆ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 แต่เขาก็ทำดีมันพาดเข้ามาในปากพาดมาพาดเอามาในถ้าด้วยคงจะไม่ไหลไม่ไม่หล่นเขาทำดีอยู่แต่เป็นภผยปืนไม่ไผ่ฝาไม่ไผ่เต่นแล้วก็นอนตะแคงขวานภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพอภาวนาไปพอเคลิมคล้มเนี่ยมันเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันมันไม่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 ก๊อกน้ำหรือไอ้แป๊บน้ําที่มันรั่วมาแตกอย่างแรงน้าที่มันไหลมาจากเขาอย่างแรงอแล้วเเรา เ, าเอามือไปปิดอย่างนั้นแหละไอ้พอปิดมันพุ่งมันก็แทกมือตัวเองปิดไม่อยู่อมือฝ่ า, า, ามือตัวเองเป้นเลยออกมาเลยเอาไปปิด แ, แต่ก็เป้นอแปลว่าสมาธิครั้งนั้นเข้าไม่ได้เลยกับเรื่องเรื่องจิตประเภทนั้นจิตที่มันร้อนประเภทนั้น